เรื่องนางวิสาขา 503, ครั้งนั้นในกรุงสาวัตถีมีมหหรสบประชาชนแต่งตัวไปเที่ยวอุทยานแม้นางวิสาขามีคารามานดาก็แต่งตัวออกจากบ้านจะไปเที่ยวชมอุทยานแต่คิดว่าเราจะไปเที่ยวอุทยานทำไมไปเฝ้าพราะผู้มีพระภาคดีกว่าแล้วเปื่องเครื่องประดับออกจากผ้าหม่มห่อไว้มอบให้สาวใช้ด้วยกล่าวว่าแม่สาวใช้เธอถือห่อเครื่องประดับนี้ไว้ ทัานแล้วนางวิสาขามิคาระมาตาก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับท่านถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงนางวิสาขามิคารามาตาผู้นั่งหน้าที่สมควรให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแก้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรมีกทา ลำดับนั้นนางวิสาขามิคาระมาตาผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาดหารกล้ า, ลาปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วจึงลุกจากอาศนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณและจากไปฝ่ายสาวใช้นั้นลืมห่อเครื่องประดับนั้นได้กลับไปแล้วพิษุทั้งหลายพบเข้า